จัดเข้าอธิกรณ์อย่างไหนอาปัตตาธิกรบรรดาธิกรสี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์อย่างไหนอาศัยอธิกรณ์อย่างไหนนับเนื่องในอธิกรณ์อย่างไหนจัดเข้าอธิกรณ์อย่างไหนกิจจาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอธิกรณ์อย่างไหนอาศัยอธิกรณ์อย่างไหนนับเนื่องในอธิกรณ์อย่างไหนจัดเข้าอธิกรณ์อย่างไหนตอบวิวาทาธิกร บรรดาอาิกรสี่อย่างจัดเป็นวิวาทาธิกรอาศัยวิวาทาธิกรนับเนื่องในวิวาทาธิกรจัดเข้าวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรบรรดาอาิกรสี่อย่างจัดเป็นอนุวาทาธิกรอาศัยอนุวาทาธิกรนับเนื่องในอนุวาทาธิกรจัดเข้าอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรบรรดาอธิกรสี่อย่าง จัดเป็นอาปัตตาธิกรอาศัยอาปัตตาธิกรนับเนื่องในอาปัตตาธิกรจัดเข้าอาปัตตาธิกรกิจจาทิกรบรรดาอาิกรสี่อย่างจัดเป็นกิจจาธิกรอาศัยกิจจาทิกรนับเนื่องในกิจจาทิกรจัดเข้ากิจจาทิกรถามวิวาธาทิกรบรรดาสมถะเจ็อย่างบ่งถึงสมถะเท่าไรอาศัยสมถะเท่าไร นับหนึ่งในสมถะเท่าไร่จัดเข้าสมถะเท่าไรระงับด้วยสมถะเท่าไรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดบงถึงสมถะเท่าไรอาศัยสมถะเท่าไรนับหนึ่งในสมถะเท่าไรจัดเข้าสมถะเท่าไร่ระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาธิกรบรรดาสมถะเจ็ดบงถึงสมถะสอง อาศัยสมถะสองนับหนึ่งในสมถะสองจัดเข้าสมถะสองระงับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสมุขาวิไนสองเยปุยสิกาอนุวาทาธิกรบรรดาสมถะเจ็บ่งถึงสมถะสี่อาศัยสมถะสีนับหนึ่งในสมถะสีจัดเข้าสมถะสี่ระงับด้วยสมถะสีคือหนึ่งสมุขาวิไนสองสติวิไน 3. อมูลหะวิไนัย่ตัสปาปิยสิกาอาปัตตาธิกรบรรดาสมถฏ7เจบ่งถึงสมถะสามอาศัยสมถะสามนับหนึ่งในสมถาสามจัดเข้าสมถาสามระ ง, งับด้วยสมถะสามคือหนึ่งสมุขาวิไนสองปติญญาตะกรณะสติ น, นวัฏารกะกิจาธิกรบรรดาสมถะ7เจ บ่งถึงสมถะหนึ่งอาศัยสมถะหนึ่งนับหนึ่งในสมถะหนึ่งจากเข้าสมถะหนึ่งระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งคือสมมุขวิไนพระชติวาระที่21สอจบสมถะเพศจบรวมวาระที่มีในสมถะเพศอธิกรณะปริยายวาระสาธาณะวาระตาภาคียะวาระสมถะสาธารณะวาระ สมถติับพาคียาวาระสมถสมมุคาวินยยวาระวิเนยยวาระกุศลวาระยัตถวาระปุชฌาวาระสมถวิสัชนาวาระสังสัทธวาระสมติวาระสำมตินะสัมติวาระสมถาธิกรณวาระสมุทถาปณวาระภชติวาระ ขันธกะปุชาวาระว่าด้วยวาระคำถามและคำตอบถึงขันธกะข้าพเจ้าจักถามถึงอุปสัมปทาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทปัญญิสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจักตอบอุปสัมปทาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทปัญญาสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงอุปโสธาขันธกะ พร้อมด้วยนิาาทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเข้าพระเจ้าจักตอบอุปสัทธะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างเขาพระเจ้าจักถามถึงวสุปนายิกะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเข้าพระเจ้าจักตอบวสุปนายิกะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติหนึ่งอย่างเขาพระเจ้าจักถามถึงปวารณาขันธกะ kilka, พร้อมด้วยนิทา น, พ ร, น, านพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติเท่าไหรเข้าพเจ้าจากาักตอบปวารณาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติสมอย่างเขาพระเจ้าจักถามถึงจำมะสัญยุตะขันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อม ide, ด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจักตอบจำมะสัญญุตคันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสาอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงเพศชะคันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจักตอบเพศชะคันทกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงกถินนัขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ข้าพเจ้าจักตอบกถินนัขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดในกถินนัขันตกะไม่ปรับอาบัติข้าพเจ้าจักถามถึงจีวรสัญญุตะขันตกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัต so ิสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพเจ้าจักตอบจีวระสัญยุตตะขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงจำเปยยะคันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพเจ้าจักตอบจำเปยยะคันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศ บทบัญญสสัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างเขาพเจ้าจกถามถึงโกสัมพิกะคันทกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเขาพเจ้าจกตอบโกสัมพิกะคันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างเขาพเจ้าจกถามถึงกรรมคันทกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัตเท่าไรเข้าพเจ้าจักตอบกรรมคันธกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างเข้าไเจ้าจักถามถึงปริวาสกะคันธกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหรเข้าพเจ้าจักตอบปริวาสกะคันธกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่าง ข้าพเจ้าจักถามถึงสมุะยะขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจักตอบสมุะยะขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงสมถฏขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรข้าพเจ้าจักตอบสมถันฐกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจกถามถึงคุตตะวัตถุคันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ข้าพเจ้าจกตอบคุตตะวัตถุขันตกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจกถามถึงเสนาสนะคันตกะ รพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ข้าพเจ้าจกตอบเสนาสนะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสามอย่างข้าพเจ้าจกถามถึงสังคเพทาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไร่ข้าพเจ้าจกตอบสังคเพทาขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศ บทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างเขาพระเจ้าจักถามถึงสมาจารักขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเข้าพเจ้าจักตอบสมาจารัขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างเขาพระเจ้าจักถามถึงท้าปณะขันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร ข้าพเจ้าจักตอบท้าปณะขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตหนึ่งอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงภิคูนีขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไหร่ข้าพเจ้าจักตอบพิคูนีขันธกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตสองอย่างข้าพเจ้าจักถามถึงปัญจสติกะขันธกะ พร e? ้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเขาพเจ้าจักตอบปัญจสติกะคันทกะพร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดในปัญจสติกะคันทกะไม่ปรับอาบัตเข้าพเจ้าจักถามถึงสัตตสติกะคันทกะพร้อมด้วยนิธานพร้อมด้วยนิเทศบทบัญญัติสูงสุดปรับอาบัตเท่าไรเขาพเจ้าจักตอบสัตตสติกะคันธกะ พร้อมด้วยนิทานพร้อมด้วยนิเทศบทปัญญัติสูงสุดในสัตตะสติกะคันตกะไม่ปรับอาบัติคันตกะปุชาวาระที่หนึ่งจบหัวข้อประจำวาระอุปสัมปทาคันตกะอุปสถะคันตกะวสุปนายิกะคันตกะปวารณาคันตะกะจามะคันตะกะเพศชะคันตะกะกถิณคันตะกะจีวรคันตกะ จำปยขันธกะโกสามภิกขะขันธกะกามะขันธกะปาริวาสกะขันธกะสมุจยาขันธกะสมถฏขันธกะคุทกาวัตถุขันธกะเสนาสนะขันธกะสังฆเภทขันธกะสมาจาระขันธกะทาปณะขันธกะภิกุณีขันธกะปัญจสติกะขันธกะสตสติกะขันธกะ คูตริกไนว่าด้วยไนคือหนึ่งหนึ่งเอการะว่าด้วยหมวดหนึ่งพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ก่ออาบัตพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ไม่ก่ออาบัตพึงรู้ analyse, อาบัต work, พึงรู้อนาบัตพึงรู้อาบัตเบาพึงรู้อาบัตหนักพึงรู้อาบัตที่มีส่วนเหลือพึงรู้อาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือพึงรู้อาบัตชั่วยา พึงรู้อาบัตไม่ชั่วหยาบพึงรู้อาบัติที่ทําคืนได้พึงรู้อาบัตที่ทําคืนไม่ได้พึงรู้อาบัตที่เป็นเทศนาคามินีพึงรู้อาบัตที่เป็นอเทศนาคามินีพึงรู้อาบัติที่ทําอันตรายพึงรู้อาบัตที่ไม่ทําอันตรายพึงรู้อาบัตที่มีโทษทางพระบัญญัติพึงรู้อาบัตที่ไม่มีโทษทางพระบัญญัติพึงรู้อาบัตที่เกิดจากการกระทํา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 พึงร si ู้สัพพะทะบัญญัติพึงรู้ปเทสบัญญัติพึงรู้สาธารณะบัญญัติพึงรู้อสาธารณะบัญญัติพึงรู้เอกโตบัญญัติพึงรู้อุปโตบัญญัติพึงรู้อาบัตมีโทษหนักพึงรู้อาบัตมีโทษเบาพึงรู้อาบัตที่เกี่ยวกับเครหัดพึงรู้อาบัตที่ไม่เกี่ยวกับเครหัดพึงรู้อาบัตที่แน่นอนพึงรู้อาบัตที่ไม่แน่นอน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 พึงรู้บุคคลผู้แน่นอนพึงรู้บุคคลผู้ไม่แน่นอนพึงรู้บุคคลผู้ควรต้องอาบัตพึงรู้บุคคลผู้ไม่ควรต้องอาบัติพึงรู้บุคคลผู้ถูกสงลงอุเคปัญญกรรมพึงรู้บุคคลผู้ไม่ถูกสงลงโอเคปัญญกรรมพึงรู้บุคคลผู้ถูกนาสนะพึงรู้บุคคลผู้ไม่ถูกนาสนะพึงรู้บุคคลผู้เป็นสมานสังวาสพึงรู้บุคคลผู้เป็นนานาสังวาส พิงรู้การงดปาติโมกข์แลเอกวาระจบหัวข้อประจำวาระธรรมที่ก่ออาบัติและธรรมที่ไม่ก่ออาบัติอาบัติและอนาบัติอาบัติเบาและอาบัติหนักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลืออาบัติชั่วยาบและอาบัติไม่ชั่วยาบอาบัติที่ทำาคืนได้และอาบัติที่ทำาคืนไม่ได้อาบัติที่เป็นเทศนาคาินี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 และอาบัตที่ไม่นับเข้าจำนวนบัญญัติและอนุบัญญัติอนุปัญธบัญญัติสัพพะบัญญัติและปเทสบัญญัติสาธารณะบัญญัติและอาสาธรณะบัญญัติเอกโตบัญญัติและอุปโตบัญญัติอาบัตทมีโทษหนักและอาบัตที่มีโทษเบาอาบัตที่เกี่ยวกับครหัดและอาบัตที่ไม่เกี่ยวกับครหัดอาบัตที่แน่นอนและอาบัตที่ไม่แน่นอนบุคคลผู้เป็นต้นบัญญัติ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 บุคคลผู้ถูกสงลงอุเคปเนิยกรรมและบุคคลผู้ไม่ถูกสงลงอุเคปเนิยกรรมบุคคลผู้ถูกนาสนะและบุคคลผู้ไม่ถูกนาสนะบุคคลผู้มีสังวาเสมอกันและบุคคลมีสังวาต่างกันการงดและหัวข้อดังกล่าวนี้จัดรวมเข้าด้วยกัน ทุก ว, วาระว่าด้วยหม่วสองอาบัตเป็นสัญญาวิโมกมีอยู่อาบัตไม่เป็นสัญญาวิโมกมีอยู่อาบัตของภิกษุผู้ได้สมาบัตมีอยู่อาบัตของภิกษุผู้ไม่ได้สมาบัตมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยสัจธรรมมีอยู่อาบัตไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสัจธรรมมีอยู่อาบัตเกี่ยวด้วยบริขารของตนมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยบริขารของผู้อื่นมีอยู่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 อยู่ในอากาศแล้วไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่พิกสุอยู่ในอากาศแล้วต้องอยู่บนแผ่นดินไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่เมื่อพิกสุออกไปต้องเข้าไปไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่เมื่อพิกสุเข้าไปต้องออกไปไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่พิกสุเมื่อถือเอาจึงต้องมีอยู่อาบัติที่พิษุเมื่อไม่ถือเอาก็ต้องมีอยู่อาบัติที่พิสุเมื่อสมาทานจึงต้องมีอยู่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 อาบัตที่พิกษุต้องเพราะไม่บริโภคมีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องในเวลากลางคืนไม่ต้องในเวลากลางวันมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในเวลากลางวันไม่ต้องในเวลากลางคืนมีอยู่อาบัตที่พิกษุต้องเพราะอรุณขึ้นมีอยู่อาบัตที่พิสูจต้องไม่ใช่เพราะอรุณขึ้นมีอยู่อาบัตที่พิกษุเมื่อตัดจึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ตัดก็ต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุเมื่อปิดไว้จึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ปิดไว้ก็ต้องมีอยู่อาบัตที่พิกษุเมื่อทรงไว้จึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ทรงไว้ก็ต้องมีอยู่ ด้วยวันอุโบสถเป็นต้นวันอุโบสถมีสองวันคือ 1. วันอุโบสถในวัน14ค่ำ 2. วันอุโบสถในวัน15บ้าค่ำวันปวารณามีสองวันคือ 1. วันปวารณาในวัน14ค่ำ 2. วันปวารณาในวันสิบ้าค่ำกรรมมีสองอย่างคือ1อัปโรกนกรรม 2. ยัตติกกรรม กรรมแม่อื่นอีกก็มีสองอย่างคือน 1. นึ่ยติทุติยกรรม 2. องยติเจตุตักรรมวัตถุแห่งกรรมมีสองอย่างคือ1วัตถุแห่งอปโลกนกรรม 2. วัตถุแห่งยติกรรมวัตถุแห่งกรรมแม่อื่นอีกก็มีสองอย okay ่างคือ1วัตถุแห่งยติทุติยกรรมสองวัตถุแห่งยติเจตุต oh ักกรรมโทษแห่งกรรมมีสองอย่างคือหนึ่ง โทษแห่งอปโลกนกกรรม 2. โทษแห่งยติกกรรมโทษแห่งกรรมแม่อื่นอีกก็มีสองอย่างคือหนึ่งโทษแห่งยติทุติยกรรม 2. โทษแห่งยติจตุตักกรรมสมบัติแห่งกรรมมีสองอย่างคือ 1. สมบัติแห่งอปโลกนกกรรม 2. สมบัติแห่งยติกกรรมสมบัติแห่งกรรมแม่อื่นอีกก็มีสองอย่าง คือ 1. สมบัติแห่งยติทุติยกรรม 2. สมบัติแห่งยติจตุติกรรมนานาสังวาสกะภูมิมีสองอย่างคือ 1. ภิกษุทําตนให้เป็นนานาสังวาส ด, ด้วยตนเอง 2. สงพร้อมเพลียงกันลงอุเคปัิยกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทําคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสมานา ส, าสังวาสกะภูมิมีสองอย่างคือหนึ่ง พิกษุทำตนให้เป็นสมาณสังวาด้วยตนเองสองสองพร้อมเพรียงกันรับภิกษุผู้ถูกลงออเคปิกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเพราะไม่ทำเคินอาบัตหรือเพราะไม่สลทิฏฐิบาปเข้าหมูว่าด้วยปราชิกเป็นต้นปราชิกมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีสังฆาทิเศษมีสองอย่างคือหนึ่งของภิษุสองของพิษุณี ทูลละใจมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีปาจิตตีมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีปาติเทสนิยะมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีทุกกดมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีทุกพาสิทธมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณี อาบัตของภิกษุมีเจอย่างของภิกษุณีก็มีเจอย่างกองอาบัตของภิกษุมีเจอย่างของภิกษุณีก็มีเจอย่างสงแต่กันด้วยอาการสองอย่างคือหนึ่งด้วยกรรม2ด้วยการจับสลากว่าด้วยบุคคลบุคคลสองจำพวกสงไม่เพิ่งในอุปสมบทคือหนึ่งผู้มีการบกพร่อง 2. ผู้มีอวัยวะบกพร่อง บุคคลแม่อีกสองจำพวกสงไม่พึงให้อุปสมบทคือ1ผู้มีวัตถุวิบัติ2ผู้มีการกระทําเสียหายบุคคลแม่อีกสองจำพวกสงไม่พึงให้อุปสมบทคือหนึ่งผู้ไม่บริบูรณ์ 2. ผู้บริบูรณ์แต่ไม่ขออุปสมบทไม่พึงอยู่อาศัยบุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้อารัจฉี 2. ผู้โง่เขลาไม่พึงให้นิสัยแก่บุคคลสองจำพวกคือ หผู้อละชีสองผู้ละชีแต่ไม่ขอพึงให้นิสัยแก่บุคคลสองจำพวกคือ1ผู้โง่เ ข, ขลาสองผู้ละชีแต่ขอบุคคลสองจำพวกไม่ควรต้องอาบัติคือ1พระพุทธเจ้าสองพระปัิเจกพระพุทธเจ้าบุคคลสองจำพวกควรต้องอาบัติคือหนึ่งภิกษุสองภิกษุณี บุคคลสองจำพวกไม่จงใจต้องอาบัตคือ 1. ภ <AM> ิกษุชั้นอริยบุคคล 2. องพิสุณีชั้นอริยบุคคลบุคคลสองจำพวกควรจงใจต้องอาบัตคือ 1. นึ่งพิสุปุทุชนสองพิสุณีปุทุชนบุคคลสองจำพวกไม่จงใจประพฤติล่วงวัตถุที่มีโทษแรงคือ 1. นึ่งพิสุชั้นอริยบุคคล 2. องพิสุณีชั้นอริยบุคคล บุคคลสองจำพวกควรจงใจประพฤติล่วงวัตถุที่มีโทษแรงคือหนึ่งิุปุทุชนสองกิุนีปุทุชนว่าด้วยปฏิกะโกสนาเป็นต้นปฏิกะโกสนาการกล่าวคัดค้านมีสองอย่างคือหนึ่งคัดค้านด้วยกายสองคัดค้านด้วยวาจานิสารนาการขับออกจากหมู่มีสองอย่างคือหนึ่ง บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกไปบุคคลเป็นอันถูกขับออกดีแล้วสองบุคคลเป็นอันถูกขับออกไม่ดีโอสารณาการเรียกเข้าหมูมีสองอย่างคือหนึ่งบุคคลที่ยังไม่รับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่บางคนเป็นอันรับเข้าดี 2. บางคนเป็นอันรับเข้าไม่ดีปฏิญญามีสองอย่าง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 การโจ์มีสองอย่างคือ pues 1การโจ์ด้วยกาย2การโจ์ด้วยวาจาว่าด้วยปริโธดเป็นต้นกะถินมีปริพโธสองอย่างคือ1อาวาสะปริโธด2จีวระปริโธดกะถินมีอัปริโธสองอย่างคือ1อาวาสะอปริโธด2จีวระอปริโธดจีวอมีสองอย่างคือ หข้าพดี๋จีวร 2. บางสกสุลจีวรบาทมีสองอย่างคือ1บาทเหล็กสองบาท ด, ดินเชิงบาทมีสองอย่างคือ1เชิงบาททำด้วยดีบุกสองเชิงบาททำด้วยตะกัวการอธิษฐานบาทมีสองอย่างคือ 1. อธิษฐานด้วยกายสองอธิษฐานด้วยวาจาการอธิษฐานจีวรมีสองอย่างคือ 1. อธิษฐานด้วยกายสองอธิษฐานด้วยวาจาวิกับมีสองอย่างคือ 1. วิกับต่อหน้าสองวิกับรับหลังวินัยมีสองอย่างคือ 1. วินัยของภิสุสองวินัยของภิษุณีเนื้อหาที่ปรากฏในวินัยมีสองอย่างคือ 1. พระบัญญัติสองอนุโลมบัญบญออัติวินัยมีความขัดเกลาสองอย่างคือ 1. นึกำจัดสิ่งไม่ควรด้วยอริยมรรคความทําพอประมาณในสิ่งที่ควรว่าด้วยต้องอาบัตด้วยอาการสองอย่างเป็นต้นพิกษุต้องอาบัตด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ต้องทางกาย 2. ต้องทางวาจาพิกษุออกจากอาบัตด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ออกด้วยกาย 2. ออกด้วยวาจาปริวาสมีสองอย่างคือ 1. ปฏิชันณปริวาส 2. อปฏิชันนาปริวาสปริวาสแม้อีกสองอย่างคือ 1. สุทันตะปริวาส 2. สมุทานปริวาสมานัตมีสองอย่างคือ 1. ปฏิชันณามานัตสออปฏิชันณมานัตมานัตแม่อีกสองอย่างคือ 1. ปักขมานัตส 2. สมธทานมานัต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 เกลือแม่อื่นอีกก็มีสองชนิดคือหนึ่งเกลือสมุทรสองเกลือดำเกลือแม้อื่นอีกก็มีสองชนิดคือหนึ่งเกลือสินเท่าสองเกลือดินโป่งเกลือแม่อื่นอีกก็มีสองชนิดคือหนึ่งเกลือโรมกะสองเกลือปักขันละกะการบริโภคมีสองอย่างคือหนึ่งการบริโภคภายในสองการบริโภคภายนอก คำด่ามีสองอย่างคือ 1. นึ่คำด่าหยาบ 2. คํคำด่าสุภาพคำส่อเสียดมีด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ต้องการให้ผู้อื่นชอบตน 2. ต้องการให้ผู้อื่นแตกกันการฉันคณะโพชนะมีด้วยอาการสองอย่างคือ 1. เพราะทายกนิมนต์สเพราะภิกษุออกปากขอเขาวันเข้าพรรษามีสองวันคือ 1. วันเข้าพรรษาต้น สองวันเข้าพรรษาหลังงดปาติโมกไม่ชอบทำมีสองอย่างงดปาติโมกชอบทำมีสองอย่างว่าด้วยบุคคลโง่เขลาและบัณฑิตเป็นต้นบุคคลโง่เขลามีสองจำพวกคือหนึ่งผู้รับภาระที่ยังมาไม่ถึงสองผู้ไม่รับภาระที่มาถึงแล้วบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือหนึ่งผู้ไม่รับภาระที่ยังมาไม่ถึง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 1. ผู้สำคัญอนาบัตว่าเป็นอาบัตผู้สำคัญอาบัตว่าเป็นอนาบัตบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญอาบัตว่าเป็นอาบัตผู้สำคัญอานาบัตว่าเป็นอนาบัตบุคคลโง่เขลาแม้อื่นอีกก็มีสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญในอธรรมว่าเป็นธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นธรรม บุคคลบัณฑ kind of ิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สําคัญอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. ผู้สําคัญธรรมว่าเป็นธรรมบุคคลโง่เคล้าแม่อื่นอีกก็มีสองจำพวกคือ 1. ผู้สําคัญสิ่งมิใช่วิัยว่าเป็นวิไนัย 2. ผู้สําคัญวิไนว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไนบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือหนึ่ง ผู้สำคัญสิ่งไม่ใช่วิไนว่าเป็นสิ่งไม่ใช่วิไน 2. ผู้สำคัญวิันว่าเป็นวิันว่าด้วยอาสวะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. นผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรประพฤติรังเกียจ 2. ผู้ไม่ประพฤติรังเกียดสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจพวกคือ 1. ผู้ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรประพฤติรังเกียจ 2. ผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจอสุวะทั้งหลายย่อมเจริญแฝ่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือ 1. 1. ผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ควรว่าควร 2. ผู้สําคัญสิ่งที่ควรว่าไม่ควรอสุวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแฝ่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้สําคัญสิ่งไม่ควรว่าไม่ควร 2. ผู้สำคัญสิ anyway, ส่งท i̇şte yes. ี่ควรว่าควรอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญอนาบัตว่าเป็นอาบัตส 2. ผู้สำคัญอาบัตว่าเป็นอนาบัตอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญอนาบัตว่าเป็นอนาบัตส 2. ผู้สำคัญอาบัตว่าเป็นอาบัต อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญอะธรรมว่าเป็นธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นอะธรรมอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองพวกคือ 1. ผู้สำคัญอะธรรมว่าเป็นอะธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นธรรมอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือหนึ่ง ผู้สำคัญสิ่งมิใช่วิไนว่าเป็นวิไนสอผู้สำคัญวิไนว่าเป็นสิ่งมิใช่วินันอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองผู้กคือ 1. ผู้สำคัญสิ่งมิใช่วิไนว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไน 2. ผู้สำคัญวิไนว่าเป็นวิไนทุกกะวาระจบหัวข้อประจําวาระอาบัตที่เป็นสัญญาอาบัตของผู้ได้สมาบัต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 ปวารณากรรมกรรมอีกอย่างวัตถุวัตถุอีกอย่างโทษโทษอีกอย่างสมบัติสองหมวดนานาสังวาสสมานาสังวาสปราชิกสังฆาธิเศษทุนละใจปาจิตตีปาฏิเทศนิยะทุกกฎทุกภาสิทธาบัตเ7กองอาบัตเจสงแตกกันอุปสมบทอุปสมบทอีกสองไม่อาศัยอยู่ ไม่ให้นิสัยอาภัพบุคคลภพภะบุคคลจงใจมีโทษคัดค้านขับออกจากหมู่เรียกเข้าหมู่ปฏิญญารับห้ามทำลายการโจทกระถินนปริโภคสองอย่างจีวรบาทเชิงบาทอธิษฐานสองอย่างวิกัปวินยัยเนื้อหาที่ปรากฏในวินยัยความขัดเกลา่การต้องและการออกจากอาบัต ปริวาสองอย่างมานะ ส, สองอย่างรติเฉทะเอื้อเฟื้อเกลือสองชนิดเกลืออื่นอีกสามชนิดบริโภคคำด่าคำส่อเสียดคณะโพชนะวันจำพรรษาการงดปฏิโมกการรับภาระสิ่งที่สมควรอนาบัตอธรรมวินัยอาสวะ